สัพพสาธารณาเจตสิกเจตสิกเจอย่างซึ่งเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะจะต้องทำความเข้าใจให้ดีมีฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าใจถึงเรื่องที่จะอธิบายต่อไปนี้และสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องจดจำเป็นพิเศษก็คือสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะมณสิการก็เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะสัญญา หมายถึงการกำหนดหมายในอารมณ์คือการกำหนดสัญลักษณ์ในอารมณ์คือมีชื่อเรียกว่าอะไรมีลักษณะอย่างไรเป็นต้นซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นก็เก็บไว้ในใจหรือถ่ายไว้ในใจด้วยเปรียบเหมือนการถ่ายรูปพอเปิดหน้ากล้องแสงสะท้อนเอาภาพเข้าไปปรากฏที่ฟิล์มฟิล์มก็จะดูดเอาภาพไว้ทันที มณสิการซึ่งแปลว่าการเก็บไว้ในใจนั้นเปรียบเสมือนการเก็บภาพไว้ที่ฟิล์มถ้าหากคนไหนมีส่วนประกอบในด้านจิตใจอย่างอื่นดีพร้อมทุกอย่างเช่นสติมีอยู่กับตัวเสมออารมณ์ค้างไม่ค่อยมีและสมองก็ดีมากความสงบมีอยู่ในใจเสมอความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจไม่ค่อยมีถ้าคนไหนมีคุณสมบัติอย่างนี้ ก็ต้องเป็นคนที่มีความจำดีอย่างแน่นอนฉะนั้นปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถเห็นอะไรครั้งเดียวจำได้ทันทีฟังอะไรครั้งเดียวจำได้ทันทีและจำไว้ได้นานด้วยขอให้ท่านพยายามจดจำเรื่องสัพพะสาารณเจตสิกเจ็ดอย่างโดยเฉพาะเรื่องสัญญาและมณสิการ ซึ่งถ้าท่านเข้าใจจริงๆแล้วท่านจะเห็นได้ว่าย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่คนเราจะมีสมองเหมือนกับเรื่องบันทึกเสียงคืออะไรเมื่อผ่านเข้าไปสู่จิตใจแม้เพียงครั้งเดียวก็จำได้แม่นจำได้ทันทีและจำได้นานและไม่สับสนด้วยแต่ข้าพเจ้าก็ได้บอกมาแล้วว่าคนที่จะมีความจำดีถึงขนาดนี้นั้นต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติในด้านจิตใจพร้อมทุกอย่าง ตึ่งตแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะได้อธิบายถึงส่วนประกอบของจิตใจที่มีความจามดีว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเป็นที่รู้กันดีอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเราจะมีความจามดีหรือไม่ดีความสำคัญอยู่ที่สมองเช่นเด็กทารกเนื่องจากสมองยังไม่เจริญฉะนั้นจึงจําอะไรไม่ค่อยได้ ถึงแม้จะจำได้แต่ก็ไม่นานคนแก่ที่สมองเสื่อมหรือคนที่เป็นโรคพิการทางสมองความจำย่อมไม่ดีซึ่งเรื่องนี้เราเข้าใจกันไม่ยากแต่ทัตตาไม่ดีก็เห็นอะไรไม่ชัดอูไม่ดีก็ได้ยินอะไรไม่ชัดจากตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าความจำซึ่งเป็นคุณสมบัติของวิญญาณหรือเป็นเรื่องของวิญญาณนั้น จะดีหรือไม่ดียอมขึ้นอยู่กับสมองและประสาทตลอดถึงความสมบูรณ์ของร่างกายในส่วนอื่นๆด้วยแต่อย่างไรก็ดีอย่าได้โปรดเข้าใจผิดว่าความจำบันทึกไว้ในสมองหรือสมองเป็นผู้จดจำอะไรต่างๆซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าความจำไม่ใช่เรื่องของสมองนั้นก็คือชีวิตของพวกโอปปาติกะหรือที่เรียกกันว่าผีสางเทวดาทั้งหลาย ขอเรียบโปรดสังเกตว่าทุกคนเมื่อตายก็ยอมต้องทิ้งร่างกายทิ้งสมองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอาวัยวะต่างๆเหล่านี้ใช้การไม่ได้แล้วความจำก็น่าจะสูญเสียไปหมดแต่ความเป็นจริงคนที่ตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะนั้นถ้าจิตใจอยู่ในสภาพปกติทุกคนจะจำเหตุการณ์หนหลังได้ทั้งหมดเสมือนหนึ่งคนที่นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมา คนทุกคนย่อมจำได้ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะหลับจากตัวอย่างของพวกโอปปาติกะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความจำเป็นเรื่องของจิตใจเพราะเหตุนี้คำพีอภิธรรมจึงกล่าวว่าสัญญาเป็นเจตสิกมานัสิการก็เป็นเจตสิกสติซึ่งแปลว่าการนึกย้อนหลังได้ก็เป็นเจตสิก เจตสิกแปลว่าคุณสมบัติของใจเรื่องของใจเกิดจากใจเกี่ยวเนื่องอยู่กับใจสมองเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้จิตใจหรือวิญญาณจดจําเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าสมองดีก็ช่วยให้มีความจำดีถ้าสมองไม่ดีก็ทำให้ความจำไม่ดี สมองและระบบประสาททุกอย่างในร่างกายคำพีอภิธรรมให้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ากรรมมัชรูปแปลว่ารูปที่เกิดจากวิบากของกรรมและคนไหนจะมีสมองดีหรือไม่ดีจะต้องเป็นมาตั้งแต่ปฏิสนธิท่านนองเดียวกับผลไม้ต่างๆจะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวจะมีรสชาติเป็นประการใดมันเริ่มเป็นมาแล้วตั้งแต่เริ่มเกิด ไม่ใช่มาเป็นในภายหลังเป็นแต่ว่าในระยะแรกผลยังไม่ปรากฏชัดเท่านั้นโปรดจำให้ดีว่าสมองเป็นกรรมมัชรูปคือเป็นรูปที่เกิดจากวิบาทของกรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาฝึกความจำให้ดีนั้นจะต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าจะทาได้แค่ไหนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมที่เป็นมาตั้งแต่เกิด มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากพื้นฐานเดิมสมองของเราไม่ดีเราจะมาฝึกให้มีความจำดีเหมือนกับคนที่เขามีพื้นฐานทางสมองดีกว่าเรามาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าหากเราจะพยายามฝึกสมองให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามพื้นฐานของตัวเองถ้าอย่างนี้แล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าเราดูแลเอาใจใสด่ดีต้นไม้ก็งาม ถ้าไม่เอาใจใส่ต้นไม้ก็อาจจะไม่งามแต่ถ้าจะให้ต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานเดิมของมันย่อมเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความจำดีมาตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่มหัดเอาในภายหลังและเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีพื้นฐานดีมาตั้งแต่เริ่มทรงปฏิสนธิฉะนั้นในเมื่อมาฝึกสมาธิ และอบรมจิตใจจนกระทั่งทรงได้สมาธิขั้นดีเยี่ยมและทรงละกิเลสในสันดานได้หมดสิน้นภายในจิตใจมีความแจม่มใสอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้พระองค์จึงได้ทรงมีความจำเหมือนอย่างเครื่องบันทึกเสียงซึ่งสามารถที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆได้มากมายโดยไม่มีการลืมและการสับสนดังเช่นพระองค์เคยตรัสว่าแม้ต ถ, ถาคตจะมีอายุถึง80สปีแล้วสติก็ยังไม่ฟั่นเฟือน ซึ่งหมายถึงว่าพระองค์ยังทรงมีความจําดีอยู่เสมอการที่จะฝึกความจําให้ดีขึ้นซึ่งใครจะทำได้แค่ไหนอย่าลืมว่าต้องอาศัยพื้นฐานเดิมด้วยแต่ก็เป็นอนรับรองได้อย่างหนึ่งว่าถ้าท่านได้ฝึกให้ถูกตามวิธีธรรมชาติเหมือนกับเขารู้จักบํารุงต้นไม้ให้ถูกตามวิธีธรรมชาติของมันแล้ว มันก็ย่อมจะงอกงามดีกว่าการไม่บำรุงอย่างแน่นอนแต่ก็อย่าพึงฝันว่าคำแนะนำที่ข้าพเจ้าจะให้ไว้นี้จะสามารถทำให้ทุกคนที่ปฏิบัติตามมีความจำวิเศษเหมือนกันหมด